ที่ทอดคุ้นโซ่าขวาออกสาวเจ้าน้ารักจนฝ่าละลายโลโ้ลยัน คิดถึงอ่านจนว่าปันแลังมือมีแนวบีบคันเริ่มมีรักแต่น้กใจพอนพ่อป่านมีไฟมาแผเผาอไอ้อ่ และเขาไอชายไปหมั่นสาวกระนุมั่นกำขอนเกนและสาวชุมแอรได้นั่งเงียบคอยฆ่ากอนขึข้นดื่อ คน oh.